อันกล่าวได้ว่าเป็นอาการของขโมย 3. ไม่เป็นไปได้ที่จะเสพเมถุนธรรม 4. ไม่เป็นไปได้ที่จะกล่าวเท็จโดยเจตนา 5. ไม่เป็นไปได้ที่จะทำการสะสมบริโภคกามเหมือนเมื่อเป็นคฤหัสถ์ในการก่อน 6. ไม่เป็นไปได้ที่จะถึงความลำเอียงเพราะรัก 7.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 พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาริยส า, าวกผู้ได้สดับเมื่อเห็นอย่างนี้ย่อมเบื่อหนายในตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความกำหนัดหมายถึงความติดใจเพราะคลายความกำหนัดก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็มียานรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว